น้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายขอกราบคารวะพระอาจารย์สมพงท์ทิติสัมปันโนผู้ประสิทธิวิชา <c oughs> และโอกาสนี้ก็จะได้บรรยายรรมเนื่องจากที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่ เขาควายประเทศลาวคืนนี้ก็เป็นคืนที่สามแล้วก็ถือว่าเราก็มีเจตนามีความตั้งใจที่ดีการประพฤติปฏิบัติธรรมมันต้องมีการกระทำอย่างต่อเนื่องอถ้าเราไม่ทำอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันจะ ไม่เชื่อมต่อคำ ว, ว่าไม่เชื่อมต่อหมายถึงว่าเราตั้งใจมาดีแล้วมีสติต่อเนื่องดีแล้วสุดท้ายเราก็ไปเจออย่างหนึ่งอย่างใดก็ก็กลับไปคิดในเรื่องทางโลกต่ออย่างนี้พอจะดีแล้วเนี่ยมันก็ลืมไปหายไปแล้วเราก็กลับมาทำใหม่อย่างนี้ถือว่าไม่เชื่อมไม่ต่อเนื่องเมื่อไม่ต่อเนื่องในการพัฒนาในทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะในเรื่องของปัญญานะมันก็จะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนในเรื่องของการที่เราจะพิจาณาให้เห็นธรรมะให้เข้าสุดถึงธรรมะอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่จะต้องกระทําอย่างต่อเนื่องอโดยเฉพาะการฟังธรรมนี่การฟังธรรมมีอานิสงส์มาก เพราะว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็มาได้รู้มาได้เข้าใจจากการฟังธรรมสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ทำให้เรานั้นเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นแล้วก็ทำให้เรานั้นคลายความสงสัยทาให้จิตใจของเราเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีจิตใจที่เบิกบานข่องใสนี่คืออนิสง์ของการฟังธรรมฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยที่พระองค์ทรงตัดไว้ทำให้เราได้เกิดปัญญานั่นก็มีอยู่สาประการสุตตะมยปัญญาเนี่ยคือการฟังธรรมนั่นเองแต่การได้ศึกษาได้ความรู้จากการฟังธรรมเนี่ยมันทำให้เราน่้นเกิดปัญญา เปรียบเสมือนกับปริยัตเหมือนกันอันที่สองก็จินตามายะปัญญาเมื่อฟังแล้วก็เราก็คิดไปตามไปที่นาไปก็ทําให้เราเกิดปัญญาข้อที่สามปฏิปฏิบัติหรือว่าภาวนามยะปัญญาอันนี้ก็เกิดจากการภาวนาก็คือการปฏิบัตินั่นเองก็ทําให้เรานั้นเกิดปัญญา เพราะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิเนี่ยหมายถึงการเคลื่อนปฏิบัติปฏิบัติให้เคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าทำให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดการละความุกหรือวะกิเลสนั้นให้หมดไปตามลำดับนี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งที่เราว่าปัญญาทั้งสามเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสุตตะมยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยขณะนี้เนี่ยที่เราฟังธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแยกมันเป็นสามส่วนแต่ในสามส่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยถ้าเราพิจาณาให้ดีเนี่ยเราได้ฟังแล้วเนี่ยเราก็เกิดปัญญาขณะที่เราฟังเกิดปัญญาเราก็คิดตามก็เกิดปัญญาก็จะประเถิดหรือว่าการเคลื่อนความรู้ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าสุนาสุมเมพันเตสังโคภิกษุทั้งหลายจงฟังในเรื่องของการฟังเนี่ยในสมัยพุทธกาลเมื่อพระองค์แสดงธรรมแล้วต่อภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็เกิดบรรลุธรรมทำจิตเข้าสู่มรรคผลก็มีมากมายแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราก็อาศัยการฟังธรรม การศึกษาก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปริยัติธรรมหรือว่าการปฏิบัติจนเกิดผลปฏิเวทเนี่ยจึงเทียบเอากับปริยัติธรรมนั้นก็เหมือนกับสุตมยปัญญาคือการเรียนรู้การศึกษาแล้วก็จินตนาการไปคิดไปแล้วก็ทําให้เราเกิดปัญญาอย่างนี้ขณะที่เกิดปัญญาเนี่ยถ้าเรายังไม่เห็นชัดเจนเนี่ยภาวนามยปัญญาเนี่ยมันก็ต้อง วางจิตวางใจเมื่อวางจิตวางใจเนี่ยจนเกิดปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าสู่มรรสู่ผลเหมือนกันตรงนี้เนี่ยจึงเป็นการพรรณนานะให้เห็นถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าจะให้เข้าสู่ตรงจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องมีศรัทธามีเจตนามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราปฏิบัติธรรม เพื่อต้องการความรู้ต้องการปัญญาเพื่อนาไปสู่การดับทุกข์นั่นเองเป็นจุดหมายปลายทางในทางพระพุทธศาสนาสำหรับผู้ปราพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนี้ถ้ายังอื่นไม่มีเลยยางอื่นไม่มีเลยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องทำปัญญาให้เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิให้เห็นชอบเมื่อเห็นชอบแล้วเนี่ยจะทาอะไรก็มันก็สุขใจไม่เกิดทุกข์ เห็นชอบมันจะทำอะไรก็ต้องชอบหมดถ้าชอบแล้วมันจะต้องมีความสุขเกิดความสงบทางใจเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเราก็จะสามารถน้อมไปทิจรนาในจิตของเราเองถ้ามันเห็นชอบเนี่ยมันต้องมีความสงบต้องได้รับความสุขมันถึงจะตรงเส้นทางถึงจะตรงทางเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่พูดมานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ให้เรานั้นได้เกิด การคิดเจรนาเพื่อจะได้เป็นเส้นทางสัมมาปฏิบัตินำไปสู่ของการตัดอสวกิเลสคือการดับพุกเพื่อให้เข้าสู่จุดหมายคือพระนิพพานนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้ก็จะได้สะท้อนน ะ, ะจะได้สะท้อนสะท้อนธรรมทมที่เป็นพระนิพพานหรือเรียกว่าสุญญาธรรมสุญญาธรรม สุญญาตาธรรมเนี่ยมันเป็นคำสองคามาสมาธิผสมกันสุญยะเนี่ยแปลว่าว่างหรือว่าว่างเปล่าอตานี่ก็มาจากอัตตาหรือว่าตัวตนเมื่อมาสมาธิกันผสมกันข้าแล้วก็เรียกว่าสุญญาตาธรรมคือว่างจากความเป็นอัตตาว่างจากความเป็นตัวตนความหมายตรงนี้เนี่ยลึกซึ้งมากที่ว่างเนี่ยหมายถึงว่าพระนิพพานนั่นเอง พระนิพพานคือไม่มีอสวกิเลสแล้วจึงว่างจากอัตตาตัวตนคำพูดถึงสุญญาตาเน่ก็มีความหมายหรือว่าจะใช้ภาษาเรียกกันก็มีอีกมากมายอย่างเช่นอ ม, มะตะธรรมอย่างนี้ตรงนี้ก็เรียกว่ามาจากสุญญาตาธรรมคือความว่างความพ้นไปจากอสวกิเลสอันนี้เรียกว่าว่างว่างจากอัตตาว่างจากตัวตน ทีนี้ความาว่างจากอัตตาตัวตนเนี่ยจะสะท้อนความว่างนะสะท้อนความว่างสำหรับผู้ที่ได้บรรลุธรรมที่ผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยเป็นไปตามลําดับระองทรงตรัดไว้ว่าการบรรลุธรรมเบื้องต้นเข้าสู่กระแสธรรมนั้นเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้แรกแรกซึ่ง กระแสธรรมมายถึงการเข้าสู่กระแสธรรมเมื่อเข้าสู่กระแสธรรมนั้นจึงพบความว่างพบสุญญาตาแต่ว่าพระโสดาบันนั้นเนี่ยเพียงแต่ตริติความเห็นชัดตามความเป็นจริง เ, เป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองนะเป็นเพียงสัมมาทิฏฐิแต่ว่าเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะละกิเลส จาก 100% ก็ละไปได้ถึง 30% มสิพระสะกะธาคามีก็เข้าสู่กระแสธรรมอันนี้เช่นกันคือกระแสพนิพาลเนี่ยละกิเลสได้เบาบางกว่าพระโสดาบันถ้าละกิเลสได้กว่าเบาบางกว่าก็ถือว่าละไปได้อีกเป็นสีเปนแต่ถ้าพระอนาคามีเนี่ยละได้ถึง 50% แต่ก็เข้าสู่กระแสถึงพนิพาลตรงนี้ เข้าสู่กระแสตรงนี้เหมือนกันส่วนพระอรหันต์นั้นเป็นพระนิพพานโดยสมบูรณ์เข้าถึงตรงนี้แล้วก็สำเร็จโดยบริบูรณ์คือไม่มีกิเลสอาสวะคือดับได้ละได้ร้อยปเซ็ตแต่ว่าพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นั้นมีความรู้ในเรื่องของสุญญาตาธรรมเนี่ยเป็นอันเดียวกัน เทียงแต่ว่าละกิเลสได้ไม่เท่ากันนั่นเองทีนี้ในเรื่องของความสงสัยหรือเรื่องของความไม่เข้าใจว่าสุญญาตาธรรมเนี่ยมันว่างอย่างไรสุญญาตาธรรมเนี่ยมันว่างอย่างไรที่เรียกว่าว่างจากอัตตาว่างจากตัวตนเนี่ยก็จะได้สะท้อนถึงผู้ที่เข้าถึงกระแสพนิพานเนี่ยก็คือว่าไม่เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวตน หรือว่าเป็นอัตตาภาวะที่เป็นอุปทานเนี่ยก็คือหมายถึงว่าไม่มีสมมุติไม่มีภาษาความหมายที่จะไปสร้างอุปทานแบบอัตตาตัวตนตรงนี้เนี่ยเห็นชัด เ, เห็นชัดนะคำว่าเห็นชัดเนี่ยหมายถึงว่าสักยติทิมีความเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนคือละสักยติสักยติทีนั้นหมายถึงว่ามีความเห็นเป็นตัวต น, นการรู้ของพระโสดาบันนั้น หมายถึงจิตที่ตกกระแสเข้าไปสู่กระแสธรรมะแล้วกระแสพันิพานแล้วเนี่ยจึงไม่เห็นสปปรรพสิ่งหรือว่าสปปรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวตนอ่าก็เรียกว่าข้ามไปพ้นไปพระโสดาบันนี่ยังละบิกีกิจช้าคือความสงสัยในธรรมทั้งหลายทั้งปวงอ่าไม่ว่าเป็นเรื่องของบุญบาปหรือว่าบิบากกรรมหรือว่าธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นหรือว่าในเรื่องของ พระพุทธธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยตรงนี้เนี่สิ้นความสงสัยแล้วก็ไม่ลูกคลั่ในข้อวัดปฏิบัติไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องพิธีกรรมในเรื่องที่จะทำอะไรอะไรแบบเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่จะทำให้ผูกมัดจิตนั้นพระโสดาบันนี่เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วเพราะว่าการตกกระแสพระนิพพานนั้นก็คือสุญญตาธรรมนั่นเอง นสุญญาตาธรรมเนี่ยก็คือความว่างจากเป็นอัตตาว่างจากความเป็นตัวตนแล้วเนี่ยจึงสิ้นไปจากาความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฐิเ่ก็คือไม่เห็นว่าเป็นตัวตนไม่มีความสงสัยแล้วก็ไม่เคยไปยึดมั่นถือมั่นมีแต่จะเพิกถอนอัตตาตัวตนเพราะพระโสดาบันที่ตกกระแสธ ร, รรมแล้วเนี่ยก็นั่นหมายถึงว่าท่านบนรรลุทางจิต เมื่อบรรลุทางจิตคือเห็นธรรมชัดเจนเห็นสุญญาตาธรรมชัดเจนแม้กระทั่งตัวตนเองที่เกิดขึ้นก็ว่างสิ่งภายโลกที่เห็นมันก็ว่างแม้กระทั่งพระนิพพานมันก็ว่างธรรมะทั้งหลายไม่มีตัวตนเลยไม่มีมนุษย์ไม่มีเทวดาไม่มีภาวะของลูกพมอลูกพมแบบอัตตาตัวตนไม่มีไม่มีนรกไม่มีนั่นหมายถึงว่ามันเป็นสัจจภาวะ ของผู้ที่ยังเห็นในความเป็นตัวตนอยู่ผูกผูกมัดจิตอยู่ในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นที่เรียกว่าผู้ทุชนนั่นเองผู้ทุชนนั้นจะมีอคติมีความรักเกลียดหลงกลัวเป็นอัตตาอยู่ภายในจิตใจของตนเองอันเกิดจากความไม่รู้ชัดจิตไม่เข้าถึงกระแสธรรมฉะนั้นจะสะท้อนกระแสธรรมให้ออกมาเนี่ยผู้ที่ตกกระแสธรรมแล้วเนี่ย เป็นความรู้ชัดที่จิตมันหลุดพน้นจะเดินมันก็ว่างจะเห็นมันก็ว่างจะนั่งมันก็ว่างความไม่มีตัวตนแม้จะพูดมันก็ว่างแม้จะคิดมันก็ว่างมันไม่มีภาวะที่จะไปยึดไปสมมุติในสิ่งที่เขาอาศัยทางโลกเลยความเห็นชัดตามความเป็นจริงจากจิตที่หลุดพน้น จนเกิดปัญญาเนี่ยเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้จะยืนก็ว่างจะนั่งก็ว่างจะกินก็ว่างจะอาบน้ำก็ว่างจะมีความเห็นใดๆก็ว่างไม่ปฏิเสธในสิ่งที่โลกเขาเป็นอยู่แต่ก็ไม่ได้ยึดติดในที่โลกเขาอาศัยกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เรามีเราเป็นโดยเฉพาะบุตุชนทั้งหลายเนี่ยจะนั่งก็ยึดติดจะเห็นอะไรก็ยึดติดจะพูดอะไรก็ยึดติด มันมีสิ่งที่แอบแฝงแบบโลภโกฎหลงความพอใจความไม่พอใจยึดติดอยู่ในจิตใจของตนเองเผู้ที่ข้ามพ้นภาวะของการมีอุปท า, านเข้าสู่กระแสธรรมนั้นจึงเห็นชัดเห็นชัดว่าปุถุชนเป็นอย่างไรปุถุชนมีแต่หน้าที่ที่จะหลงที่จะทำความเข้าใจในตัวเองนั้นไม่เกิดขึ้นมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นมีดี ทำดีก็ยึดจิดดีมีชั่วหรือว่าทำชั่วก็พอจิตเ้าไปเสร็จจึงเกิดอาการของความชั่วที่เกิดขึ้นในใจอันเกิดจากอุปาทานนั่นเองจากความเห็นผิดได้มาเสียไปก็มีกาไรมีขาดทุนก็มีแต่ตัวยึดมั่นมีแต่อุปท า, านจากสิ่งที่มันเกิดจากการพลัดพรากมันก็เกิดความรับแย้ใจเกิดความเศร้าโศกใจ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตสุวนุชนทั้งสิ้นเลยเพราะภาวะของสุญญาตาธรรมเนี่ยมันว่างมันไม่มีอัตตามันไม่มีตัวตนที่จะผูกมัดเป็นพันธนาการต่อสิ่งที่มลกระทบต่อสิ่งที่เรารู้ในภาษาสมมุติบัญญัติที่เราอาศัยกันเนว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เนี่ยมันข้ามพ้นไปแล้วจิตมันข้ามพน้น เมื่อมันข้ามพ้นมันไม่มีสิ่งนี้เมื่อไม่มีสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันจึงสะพร้อนเห็นธรรมทั้งหลายที่ชนทั้งหลายก็ยึดมั่นถือมั่นกันแต่เขามีตัวตนทุกดิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดรู้ในจิตเลยแต่พระโสดาบันนี่เห็นชัดตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้เมื่อเห็นชัดตามความเป็นจริงเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเพียงความเห็นนะละได้ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถที่จะละได้อย่างสูงสุด มีแต่พระอาหารหันต์เจ้าเท่านั้นเองแต่พระอาหารหันต์นั้นสามารถละได้ร้อยเปเซนตแต่ความรู้ตรงเนี้ยจะเข้าถึงกันหรือว่าจะรู้เหมือนกันก็คือความว่างความสิ้นไปจากอัตตาตนตัวตนในขณะที่จิตนั้นบรรลุข้ามพ้นในความเป็นกุชชนเข้าสู่ความเป็นเอเลชช น, ก, น, นก็นั่นก็หมายถึงว่าจิตมันพ้นไปแล้วมันว่างแล้วเป็นสุญญตาแล้วพระโสดาบันเนี่ย เมื่อถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเมื่อยังละกิเลสไม่ได้ก็ยังต้องมาอาศัยโลกยังต้องมาอาศัยประพฤติปฏิบัติเพราะว่ายังมีกิเลสที่ยังไม่สามารถที่จะทําให้หมดสิ้นไปจากจิตใจแต่เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นชอบเห็นตรงพุ่งสู่กระแสพันิพันคือความดับทุกข์มันเป็นที่สุดเลยะฉะนั้นเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยหรือพระสกทาคามีก็ตาม พระอนาคามีก็ตามจะมีภาวะที่ทรงเป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้ตลอดเลยจะไม่เดินคดหมายถึงว่าการประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ออกนอกทางก็จะประพฤติปฏิบัติจนเข้าสู่ความดับไปสิ้นไปโดยสมบูรณ์ก็คืออหรหันตธรรมนั่นเองเนี่ยพระโสดาบันสกิภาคาอนาคาอาหารหันเนี่ยท่านไม่มีความเห็นใดๆในโลกแบบอัตตาตัวตนเลยอย่างเช่นว่าการบรรลุธรรม จริงๆท่านก็ไม่ได้บรรลุหรือว่าท่านก็ไม่ได้เป็นพระโสดาหรือสกทาคาอนาคาอหารหันท่านไม่ได้มีตัวตนไปเป็นเลยในที่สุดในการสะท้อนตรงนี้เนี่ยจึงเห็นภาคภาษาสมมติบัญญัติธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้อย่างมากมายว่าสิ่งเหล่านั้นเน่เป็นแต่เพียงหนทางให้เรานั้นใช้สติใช้ปัญญาเพื่อที่เราจะได้ทาความเข้าใจว่า สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางเพื่อดับทุปเพื่อเข้าสู่ธรรมะอันเป็นเครื่องหลุดพ้นของจิตที่เป็นกิเลสเมื่อหลุดพ้นถึงตรงนี้เนี่ยภาษาความหมายสมมุติในความเป็นอัตตาว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเปิดเผยใจใจของเราจะมีความกระจ่างแจ้งว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นั่นเองมันไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนที่เราจะไปพูดหรือไปบัญญัต สำหรับที่พุทุชนทั้งหลายเขาทำกันพุทุชนทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่จะรู้หรือว่าเข้าถึงในสิ่งนี้ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับคนละโลกบางคนเนี่ยจะประพฤติปฏิบททัติธรรมก็ต้องทำอย่างนั้นก่อนมันถึงจะทำให้จิตใจของเรามีพลังและเสร็จแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมจะได้เข้าถึงธรรมพระองค์ไม่ได้ส่งตรัสอย่างนั้นพระองค์ให้เราเนี่ยเดินเส้นทางสายตรงเลย ประพฤติปฏิบัติให้เกิดซึ่งสติปัญญาเพื่อจะได้นำไปประหารกิเลสไม่ต้องเดินทางอ้อมตรงไปเลยเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแสดงธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นไม่ว่าเราจะใช้คำว่นนานิพพานหรือเรียกว่าสุญญาตาธรรมคือความว่างเปล่าจากอัตตาตัวตนเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วจะเป็นจุดที่จะทาให้เราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยรับเลยไม่เนิ่นช้า ไม่อ้อมแต่ว่าต้องทำความเข้าใจสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องจิตเขาว่าเน้นเรื่องจิตเนี่ยจิตเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าให้ดูจิตเมื่อมีการกระทบขณะที่ดูจิตมีการกระทบเนี่ยกระทบอะไรอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องกองรูปกองนามพูดถึงเรื่องจิตที่รับรู้อารมณ์นี่แหละคือการกระทบเมื่อเห็นจิต ก็เห็นรูปก็เห็นนามเพราะว่ารูปนามกับจิตอาศัยสัมพันธ์กันถ้ารู้จิตก็ต้องรู้รูป ร, รู้นามรู้นามก็ต้องรู้จิตรู้รูปมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าถ้าขณะที่จิตกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยอาศัยรูปนามแล้วไม่เข้าใจตรงนี้นี่แหละมันจึงเป็นเรื่องที่เราสร้างอัตตาสร้างตัวตนความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลสอาสวะ ทําให้จิตใจของเรานั้นต้องเกิดความเล่าล้อนทนได้ยากคือความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของกุฎิชนทั้งหลายลกาันที่เราศึกษาเราได้ยินได้ฟังเราปฏิบัติทำรร เ, เมื่อฟังแล้วเกิดการคิดเป็นวิ่งไปตามกระแสเสียงนี้เป็น เ, เราเห็นชัดตามความเป็นจริงเราก็ปล่อยวางในขณะนั้นขณะนั้น เ, เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องดูจิตอย่างต่อเนื่อง ในไม่ช้าไม่นานก็สามารถที่จะถึงพระนิพพานหรือว่าสุญญาตาตรงนี้ได้แต่เพราะสุญญาตาเนี่ยก็หมายถึงไม่ใช่สุญญาตาสุญญาตาเป็นเพียงภาษาแต่ว่าในลักษณะของสุญญาตาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัจจัตังปัจจตังหมายถึงว่ารู้ได้เฉพาะตนสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อหลุดพ้นแล้วเนี่ยมันว่างแล้วเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งอะไร แต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความหมายที่รู้ได้ยากเขาเรียกว่าเป็นกฎอจินไตยของมรรคผลนิพพานมันยากที่จะเข้าใจแต่ว่าผู้ประพฤติปฏิบัติที่พระองค์ทรงตรัสสอนนั้นน่ยก็หมายถึงมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้เพราะมนุษย์เนี่ยมีคุณสมบัติมีรูปมีนามมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามีความเพียรมีอดมีความอดทน ตรงนี้เนี่ยเป็นคนสมบัติที่จะเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานทั้งสิ้นเลยลความว่างจากอัตตาตัวตนอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อวานเนี่ยตัวตนก็มาจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะธรรมชาติทุกสปปรรพสิ่งที่ในโลกธาตนี้เนี่ยมันว่างตลอดการมันสุญญาตาธรรมมันไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาแต่ภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริง เมื่อจิตไม่รู้แล้วเนี่ยจิตก็สร้างอัตตามอสร้างอัตตาก็เกิดภาวะของความเห็นผิดขึ้นมันก็สร้างอุปทานขึ้นเมื่ออุปทานมันเกิดขึ้นแล้วนะมันก็มีรักเกียรติหลงกลัวอ่าซึ่งเรียกว่าเป็นอัคคติอ่าของปุถุชนผู้หนานแน่นไปด้วยกิเลสมันก็จะเกิดคุณขึ้นอย่างนี้คุณธรรมไม่สามารถที่จะปรากฏได้ไม่สามารถที่จะมีได้ แต่ว่าพระอริยะตั้งแต่ชั้นต้นขึ้นไปเนี่ยท่านเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเพราะจิตได้ตกกระแสทำอันเป็นเครื่องหลุคพนตรงนั้นแล้วเข้าใจในความว่างนั้นแล้วเนี่ยก็เห็นว่าสิ่งที่เรายึดติดอุจุชนทั้งหลายยึดติดเพราะมีเหตุมีปัจจัยจากความหลงไม่เข้าใจตามความเป็นจริงจึงเข้าไปตะคุบยึดอารมณ์เมื่อจิตกระทบแล้วก็สร้างภาวะแห่งความโลภความโกรธความหลงเป็นอาสวะกิเลส ในเรื่องของสุ ญ, ญัตาธรรมเนี่ยในเรื่องของความว่างเป็นการศึกษาทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะในเรื่องจิตของเราเนี่ยถ้าจะพูดแบบครูบาอาจารย์ท่านว่าเนี่ยถ้ามีคนมาตําหนิเราแต่เราเนี่ยรู้ตัวว่าเราไม่ผิดเราก็โกรธเคืองไม่พอใจว่าทําไมเขาถึงว่าเราเนีทั้งๆที่เราก็ไม่มีอะไรเลยเขามาว่าเรา เนี่ยเราก็จะโทษว่าเขาผิดเราถูกแต่ว่าความเห็นที่ว่างจากอัตตาตัวตนซึ่งเป็นสัมมติธิน่ยจริงๆแล้วมันเห็นอุปทานในใจของตนเองที่เขาว่าเขาผิดเขาผิดจริงๆไม่ผิดหรอกเราน่ยผิดเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นใช่ไมเราไปยึดมั่นถือมั่นเราสร้างอัตตาตัวตนก็เลยโกรธเขาเห็นว่าเขาผิดเราถูกแท้จริงเราก็ไม่มีตัวตนเขาก็ไม่มีตัวตน มันเพียงแต่เป็นสับภาษาที่อาศัยสมมติสื่อสารกันเท่า น, นั้นเองแต่ว่ามันพุ่งลงสู่จิตใจของเราแล้วเราก็ไม่รู้กิเลสอรุอาาวาที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราก็เลยไปยึดมั่นถือมั่นเราก็เกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์เกิดความเร่าร้อนอยู่ภายในจิตใจอย่างนี้นี่เรียกว่าเราไม่เห็นตนของตนเองเราไม่เข้าใจในเรื่องของสุญญาตาคือความว่าง เนี่ยความว่างเนี่ยมันว่างจากจิตที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเนี่ยแสดงให้เห็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราเดินทุกวันทําทุกวันหมายถึงว่าการดาเนินชีวิตเนี่ยทุกวันจะต้องเกิดการกระทบเมื่อเกิดการกระทบกระทบที่ไหนกระทบรู้ที่จิตเมื่อจิตรู้ในการกระทบรู้แล้วเนี่ยเราจะวางจิตอย่างไรเนี่ยนี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรม นี่คือการตามดูตามรู้ตามเห็นโดยอาศัยสติสัพพัญญะปัญญาเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าเห็นตรงนี้เนี่ยคนที่มีสติสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องเกิดจากการฝึกสติจะต้องประกอบด้วยสัพ ป, ปัญญะถ้าสติไม่ประกอบด้วยสัม ป, ปัญญะมีสติระลึกได้แต่ไม่รู้พร้อมว่าเรากําลังทําอะไรอยู่สตินั้นมันก็เป็นสติที่เตลิดเปิดเปิง ไม่ใช่สติธรรมถ้าสติธรรมแล้วจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมมองเห็นรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นรู้ว่าเรากาลังทำอะไรเราได้ยินเสียงอะไรหรือเราพูดอะไรเราจะรู้แต่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยถาว่าที่เราอาศัยสมมติเมื่อจิตกระทบเนี่ยมันเป็นภาษาความหมายที่จะต้องดำเนินไปที่จะต้องมีการกระทำไปเสร็จแล้วที่จะต้องพูดไปแต่ว่ามันจะพูดแบบยึดติดเลย ไม่มีสัมปชัญญะควบคุมมันวิ่งไปเลยจะเห็นได้ว่าคนที่ไม่เจริญสติแล้วก็ไม่เข้าใจถึงความว่างในใจิตใจพอรู้อะไรปากมันพูดไปเลยพอรู้ปั๊บพูดปับ๊บพอเห็นอะไรปั๊บั้งๆ ท, ที่ไม่ควรพูดก็พูดออกมาไม่สามารถที่จะควบคุมจิตเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยจิตมันวิ่งส่งออกไปตามกระแสของรูปของนามที่เป็นอัตตาซึ่งเป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลาเลย ในผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงต้องเจริญภาวนาเจะเดินสติให้มากเห็นจิตให้มากรู้จักจิตให้มากว่ามันวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างไรหรือว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นสุญญตาธรรมเนี่ยอาศายัยรูปอาศัยนามก็จริงอยู่แม้กระทั่งว่าความนึกคิดเนี่ยความนึกคิดมันเป็นเพียงกิริยาแห่งความคิดเท่านั้นเองคิดไปตามเหตุตามผลในสมมตุติแต่ไม่ติดอยู่ในความคิด เพราะนั้นคิดได้แต่ว่าไม่โลภ ก, กดหลงในความคิดตายเห็นรูปเห็นปับป๊บรูปปับ๊บดับปั๊บไม่ปรุงแต่งในสิ่งที่เห็นรูปเลยนยี่นี่เขาเรียกว่าเราจะเิญให้เกิดสติปัญญาเข้าสุญญาตาคือความว่างเนี่ยมันต้องเห็นอย่างนั้นเพราะสติเนี่ยมันจะเป็นตัวนํำร่องให้เราเกิดซึ่งปัญญาโดยธรรมชาติขันของผู้หลุดพ้นแล้วเนี่ยนม่หมายถึงว่าธรรมะที่ ดับทุกแล้วได้แล้วเนี่ยไม่ถึงจิตว่างแล้วเนี่ยตาเห็นรูป ป, ป, ป, ปั๊บก็แค่รู้แค่เห็นแค่ตรงนั้ น, นจะไม่ปรุงแต่งในความเห็นนั้นออกไปอีกเลยสติมีหน้าที่แล้วลึกรู้เห็นตรงนั้นดับตรงนั้นเห็นตรงอื่นรู้ขึ้นก็ดับตรงนั้นแต่ว่าไม่มีจิตที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับที่ว่าสิ่งที่เกิดรู้ทางจิตที่เรียกว่านามธรรมาเมื่อจิตเกิดแต่จิตที่เป็นปัญญาทางธรรมเนี่ย ไม่เกิดตามจิตเกิดเมื่อจิตดับจิตก็ไม่ดับไปตามจิตดับมันรู้แล้วมันว่างมันเห็นแต่เพียงแต่สักแต่ว่าดังพระอัญญาโกนทัญญาเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมของพุทธองค์แล้วเนี่ยจึงบอกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีแต่ความเกิดความดับเท่านั้นนี่ภาวะที่หลุดพ้นทางจิตมันเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้จึงเห็นได้ว่าสะท้อนออกมาเนี่ยในเลือดของชนที่ไม่ประพฤติธปฏิบัติธรรม หรือว่าไม่เข้าใจในธรรมหรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ตามแต่ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงไม่เอาจริงเอาจังต่อในเรื่องสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันที่จะเข้าใจในความเกิดดับของชีวิตเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องความเกิดดับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสมมุติเท่านั้นเองจิตของพระโสดาบันที่เห็นชัดตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีความเกิดมันไม่มีความดับแบบสมมุติบัญญัติแม้กระทั่งปรุงแต่งว่า เกิดมันก็ไม่ปรุงแต่งดับมันก็ไม่ปรุงแต่งทุกข์มันก็ไม่ปรุงแต่งนั่นหมายถึงว่าไม่ระบุชื่อของความทุกข์นั้นว่ามันคือทุกข์มันเป็นแต่เพียงอาการของรูปนามที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามาสภาพธรรมของรูปธรรมเท่านั้นเองไม่ได้ปรุงแต่งว่าสิ่งนี้คือทุกข์นะในสิ่งนี้ไม่ใช่ทุกข์นะแต่ว่ามันเป็นตัวอาศัยสมมุติบัญญัติสมมุติว่าสิ่งที่มันทนได้ยากขณะที่มันเสื่อมไป ทําให้เกิดความทุกข์ทางกายเพราะมีกายยปสัสสัดผิดรับรู้อารมณ์แล้วก็ไม่ยึดติดตรงนี้ก็เลยสมมติแบบนี้แต่ในจิตส่วนลึกจริงๆแล้วไม่ได้มีปรากฏบอกว่ามันคือทุกข์หรือมีความหมายของทุกข์เลยเพียงแต่ ร, าา ร, รู้อาการเท่านั้นเนี่ยความรู้อาการเท่านั้นเนี่ยก็เพราะเราจิตเนี่ยมันอาศัยรูปธรรมมันจึงสะท้อนออกมาเป็นนามธรรมหรือว่ า, าเวทนาเพราวะว่เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ เกิดดับเกิดดับแล้วก็ในที่สุดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องแตกสลายไปในรูปธรรมนี้จิตนั้นเนี่ยผู้มีสติสัมปชัญญะปัญญาหรือว่าเข้าใจเห็นตามความเป็นจริงน่ยก็จะปล่อยวางทุกขณะจิตเลยการประพฤติปฏิบัติธรรมน่ยเห็นก็รู้วางได้ยินก็วางพูดเสร็จแล้วก็วางคำว่าวางก็คือไม่ยึดติดให้เห็นอาการอยู่อย่างเนี้ยถ้าจิตมันกระพือมแบบโลดโลบโกดหลงขึ้นมาปับ๊บรู้เท่าทันก็ เข้าใจด้วยปัญญาก็ตัดมันวางมันถือไม่ยึดมั่นถือมั่นมัน่นในสิ่งที่มันเกิดเป็นปกติของการอาศัยเนี่ยส่วนมากะจะมองไม่เห็นนะเพราะมันเป็นปกติแต่สิ่งที่มันผิดปกติเกิดขึ้นมาแล้วจากการที่ดำรงชีวิตอยู่ที่จะต้องมีการกระทบรู้ในการอาศัยอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าจิตมันผุดขึ้นแบบโลคแบบโกรธแบบหลงแบบนั้นให้มีสติสัมปชัญญะ สัมปชัญญะปัญญารู้เท่าทันนักวางอารมณ์ทันทีเลยอย่าไปเก็บไว้อย่าไปกอดไว้ถ้าเราเก็บตรงนั้นไว้เนี่ยมันก็จะสร้างอุปทานสร้างสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นในใจเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเนี่ยมันจะทําให้เราวิ่งไปตามกระแสอารมณ์ที่มันกระทบนั้นแบบอัตตาตัวตนนั่นเองไม่สามารถทําลายอัตตาตัวตนของตนเองเออกไปได้เนี่ยตรงนี้เรียกว่าการเจริญสติ ตามดูตามรู้ตามเห็นที่จิตของเรานั่นเองจิตรู้ก็อาศัยรูปจิตรู้ก็อาศัยนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณถ้าพูดว่าเจริญสติในสติปัฏฐานสี่ก็พุ่งลงไปที่เขาเรียกว่ากายานุปัฏนาตามดูตามรู้กายกายเดินกายเคลื่อนกายนั่งกายนอนก็เป็นศัต่ว่ากายเขาเป็นตามสภาพธรรมของเขาอย่างนั้น เมื่อมันเกิดภาวะในกายขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็รู้เท่าทันว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นจิตไม่เข้าไปยึดติดเนี่ยเราเรียกว่าจิตไม่ยึดติดเห็นชัดตามความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้เราเกิดความหลงจากที่เราพิจารณากายอย่างนี้จนกระทั่งกายเนี่ยมันดับเขาว่าดับเนี่ยหมาถึงดับอุปทานไม่มีอจิตที่ไปปรุงแต่งว่าเป็นกายเนี่ยเมื่อเห็นกายดับตัวนั้นจิตก็ดับนั่นเองละกีเดช เมื่อเห็นกายดับจิตดับตรงนี้ก็เห็นเวทนามันดับก็คือไม่มีอารมณ์เห็นเวทนานเป็นตัวตนเมื่อเวทนามันดับจิตมันก็ดับธรรมมันก็ดับดับหมดเล ย, ยถึงจิตตานุปษษัสสนาธรมานุปษษัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยคือการเจริญสติเมื่อจิตได้รั บ, บการกระทบจากกองรูปกองนามที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยมนรู้ที่จิตตรงนี้เนี่ย แล้วก็ให้รู้เท่าทันแบบนี้การรู้เท่าทันแบบนี้เนี่ยมันเป็นภาวะของผู้ที่หลุดพ้นที่เรียกว่าเข้าจะเข้ารู้ถึงสุญญาตาธรรมคือความว่างแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าอาการเหล่านี้มันเป็นของชนทั้งหลายที่ยังยึดติดก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นอสาาวะก็จะต้องเกิดขึ้นหมักหมมขึ้นอันเป็นไ ป, นปนด้วยความโลภความขวดความหลงทาให้เกิดทุกข์ฝังไว้อยู่ในจิตใจเป็นอย่างนั้นเนี่ย การที่เห็นเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะเข้าใจเรื่องของสุญญตาธรรมเข้าใจในเรื่องของความว่างอย่างเช่นเราพระพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าเป็นพระภิกษุเป็นญาติโยมเนี่ยภาวะที่พระองค์ทรงตักไ้ไม่มีพิธีกรรมใดๆเลยไม่มีเลยให้เราต้องไปยึดติดพิธีกรรมมีการบวงสรวงสำหรับผู้พระพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีอย่างนั้นมีข้าวถวายพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ย ไปถวายพุทธเจ้ามันสร้างอัตตามันปรุงแต่งเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายมันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนนะ่ะเพราะมันว่างจากภาว ะ, ะที่เป็นตัวตนไปแล้วเนี่ย ค, คือความหลุดพ้นทางจิตตรงนี้นั่นแหละมันจึงเป็นปัญญาเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เราปลู ก, กฝังกันไว้ในเรื่องวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นข้ออ้างเท่านั้นเองว่าทำอย่างนี้จะทําให้จิตใจเป็นกุศล ทำอย่างนั้นแล้วมันจะทำให้เราพัฒนาเราไม่ได้เอาตามความเป็นจริงผู้ที่หลุดพ้นเห็นชัดตามความเป็นจริงทางจิตเมื่อตกกระแสพระนิพพานคือความว่างจากอัตตาตัวตนแล้วเนี่ยจึงได้ว่าเป็นอริยบุคคลที่ต้นสกภาคาอนาคาอัลหันก็เป็นไปตามลำดับเพราะว่ากระแสพระนิพพานเห็นถึงความว่าง ความสิ้นไปจากอัตตาตัวตนที่เรียกว่าสุญญาตาธรรมนั้นเห็นเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่ากิเลสละได้ไม่เท่ากันเท่านั้นเองจึงขึ้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเรามักจะยึดติดในส่วนนั้นมักจะยึดติดในส่วนนี้พอผู้รู้บอกให้ตรงนี้อย่าทำไม่ต้องไปยึดติดมันตรงนี้ให้วางใจเราก็ทำไม่ได้มันยึดติดทำแล้วเดี๋ยวโอ้โหมันจะไม่ได้นั่นมันจะไม่เป็นนี่ยึดติดกันตลอดเี่ นี่สิ่งที่พูดมาตลอดเลยเห็นอะไรก็ยึดติดรู้อะไรก็ยึดติดประเพณีอะไรที่เราทำก็ทำแบบยึดติดไม่ได้ทำด้วยปัญญาที่เห็นความว่าง <c oughs> จากความยึดติดดาไในเ <c oughs> พราะด้านเนี่ยสุญญาตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟังแล้วพิจยรนาแล้วทำความเข้าใจแล้วเนี่ยมันจึงเป็นตัวรวบรัดทำให้เราประพฤติปฏิบัติทาไม่เนิ่นช้า สามารถที่จะเข้าสู่มรรสผลได้อย่างเร็วพันในเรื่องสัญญาตาธรรมเนี่ยก็จะได้ที่พูดมาแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณ ะ, ะการจําแนกแจกแจงเป็นการสะท้อนธรรมะที่เป็นเครื่องหลุดพ้นจากอัตตาตัวตนนี้ให้ฟังเพราะว่าภาษาธรรมภาษาใจเนี่ยมันไม่มีอัตตามันไม่มีตัวตนมันจึงไม่สร้างอุปทานมันจึงไม่สร้างความหมาย ไม่สร้างภาษานั่นหมาถึงว่ามันหลุดพ้นโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจึงไม่มีอยู่ในจิตในสิ่งที่จะสะท้อนออกมาก็ได้ต้องอาศัยสมมุติภาษาความหมายเนี่ยให้ระ บ, บุลงไปถึงตัวจุดศุญย์ยธรรมคือความว่างเนี่ยให้มันพ้นไปจากจิตใจของเราเมื่อมันว่างแล้วเนี่ยมันเห็นสิ่งที่ถูกมันก็ไม่ยึดติดเห็นสิ่งที่ผิดมันก็ไม่เป็นอัตตาเนี่ยเห็นสิ่งที่มันว่างมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นตัวอะไรอะไรเลย สัญญาตาเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีคำพูดด้วยซ้มไปนะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของบุคคลที่หลุดพ้นตรงนั้นแล้วก็จะเป็นปัจจตังสมมุติบัญญัติเรียกว่าพระนิพพานก็ไดนะ้ถ้าเข้าสู่จุดนี้โดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาเห็นชัด ก, ก็ต้องประพฤติปฏิบัติไปจนสามารถละกิเลสได้สมบูรณ์หรือว่าปุตุชนผู้ประพฤติปฏิบัติทำกัลยาชนทั้งหลายเนี่ย ก็มีการพัฒนาสร้างสติปัญญาไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยมีการเสียสละมีการให้ทานมีการรักษาศีลเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมีการเจริญภาวนาทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อละนิวรณ์ทั้ง5ห้าทำความาที่เป็นกิเลสให้มันหมดสิ้นไปแต่เจริญภาวนานี่ยมันมีวิ ป, ปัสสนาเข้ามาด้วยคือการพิจารณาให้เกิดปัญญาให้เห็นชัดในรูปธรรมในกองสังขาร หรือว่าในจิตนี้นั่นเองถ้าเห็นจิตแล้วและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเห็นจิตตัวเองนะ่ะถ้าบุคคลใดเห็นจิตในจิตบุคคลนั้นเป็นบัณฑิตในพุทธศาสนานั่นหมายถึงว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ถึงธรรมแล้วพระสุญญาตาเนี่ยเมื่อว่างแล้วเนี่ยไม่มีอัตตาแล้วเนี่ยไม่มีคําพูดแล้วเนี่ยจึงเห็นพกกระพุทธเจ้า เนพุทธเจ้าพุทธเจ้าค้นพบสิ่งนี้เนี่ยก็คือไม่มีตัวตนแบบนี้ภริยสงเนี่ยพบสิ่งเนี้ก็คือสิ่งเดียวกันที่พุทธเจ้าค้นพบสิ่งที่ค้นพบมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มันหลุดพ้นจากจิตที่เป็นอุปท า, านเนี่ยจึงเรียกว่าสุญญาตาธรรมเพราะนั่นเนี่ยภาษาความหมายทั้งทางโลกภาษาความหมายทั้งทางธรรมมันเป็นตัวสื่อสารเพื่ออาศัยเท่านั้นแต่ถ้าเราเข้าใจหลักสุญญาตาธรรมแล้วเนี่ย เราจะมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบสิ่งใดที่เราทำตามประเพณีแต่ไม่ยึดติดประเพณีคำว่าไม่ยึดติดประเพณีเนี่ยมันเป็นข้อมักหรือว่าเป็นข้อที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติรมเขาเรียกว่ามันคาหรือว่ามักคาเนี่ยมักคาปฏิปทาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอริยะประเพณีคำว่าอริยะประเพณีเนี่ย เป็นประเพณีที่นำออกไปสู่วองทุกคือการดับทุกคือการเข้าสู่สุนียตาธรรมหรือว่าพันิพาณ น, นั่นเองแต่ถ้าประเพณีใดๆเนี่ยถ้าเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่อริยาประเพณีไม่ใช่อริยธรรมของพระอาริยเจ้าทั้งหลายตรงนี้เนี่ยมันมีสาระมีความสำคัญในชีวิตของตนเองและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าเป็นภายนอกภายใน ด้วนแล้วแต่เป็นสุญญตาธรรมทั้งสิ้นเลยแต่เราจะเข้าถึงได้อย่างไรเราก็ต้องเข้าถึงจิตของเราก่อนดับกิเลสให้หมดจากจิตของเราก่อนมีการเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่องอย่าให้มันขาดสายหมายถึงว่าเรามีสติปัญญาดำเนินตามรู้ตามดูตามเห็นโดยที่ไม่ต้องไปกาหนดว่ามันเป็นกายานุปัสสนาเวทานานุปัสสนาจิตานุปัสสนาหรือว่า ทำมานุปสรนาเราดูที่จิตพุ่งตรงตรงนี้เลยเพราะต้นตอบ่อกเกิดของเหตุทั้งหลายที่ทําให้เกิดทุกข์ให้เกิดโลกเนี่ยหมายถึงว่าโลกแห่งสมมุติที่เป็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันเกิดที่จิตหรือว่าวิบากกรรมทั้งหลายที่เป็นที่เราเข้าไปยึดติดแล้วทําให้เราเกิดเวียนว่ายตายเกิดมันเกิดที่จิตพระองค์ก็เลยให้หันกลับมาดูเหตุ ก็คือมารู้ที่จิตมันดับเหตุที่จิตตรงนี้เราก็จะเข้าถึงธรรมโดยสมบูรณ์อ่าพญาน้นเนี่ย ว, วันนี้ก็ถือว่าอ่าพูดแบบรวบลัดแล้วก็พูดแบบเร็วเป็นการสะท้อนจากสิ่งที่พูดมาสองวันอ่าในเรื่องของอ่าปัญญาวิมุตตแล้วก็เจโตวิมุตตอ่าเมื่อคืนพูดอ่ถึงเรื่องรูปนามใช่ไหอ่ารูปนาม เรื่องรูปนามในเรื่องของภาวะความเวียนว่ายตายเกิดในอสวะที่มันเกิดขึ้ น, นที่มันสะท้อนเข้าสะท้อนออกจากความไม่รู้จนกระทั่งสร้างความรู้ให้ปรากฏให้เห็นถึงกองรูปกองนามเห็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วหรือว่าธรรมะที่มีอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมให้เห็นถึงธรรมชาติที่มีอยู่แล้วจริงๆก็คือสุญญาตาธรรมนั่นเ อ, เองวันนี้ก็พอสมควรก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ The heart, the heart.